ขันธิภิกัะทันชลียันทิปวรังยญาธาสันทิหัสัตรระวร า, าชาชาติกาเกเษตุธรรมอนุกรรมปิปันปะชันอ้าวคณะทศธาญาติโยมตั้งใจฟังขอกราบคาวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ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 วัดบางองค์ก็อยู่ไกลถ้าท่านจะเดินทางไปกับองค์ใช้เวลานานเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดมากนะคณสัตยาจมถ้าหาว่าไม่มีการกล่าวอะไรเฉลยในงานนึงนึงก็มันก็ขาดไปพวัะนั้นการกล่าวนั่ก็จําเป็ น, นเพื่อเป็นรสชาติของงานเป็นผงชูรสของงาน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 ภาวนาพยาปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบมาแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นการฟังสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะสุสังรัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังฟังแต่สักพ้อฟังก็เหมือนกับหลวงปู่ตื่นท่านมา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 เออไปถึงพระ อ, อินไปถึงชั้นพรมก็ถกเถียงกันไม่มีใครเฉลยปัญหาข้อนี้ได้จากนั้นพระ อ, อินโอ้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะไม่มีใครที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ ไ, ด, ออสสได้จากนั้นพระอินลงมาในเสด็จลงมากลางคืนแสงสว่างไปหมดจากนั้นพระอินก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่วาอันในหนอไปเจ้าขา่าที่มนุษย์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 ปูชาจะปูชนียานังเอ่อเอเชวนาจะบาลานังอย่ากครอบขนผ่านบัณฑิตานันจะเซเวนาให้ครอบบัณฑิตนักปา่าปูชาจะปูชนียานังเออบูชาบุคคลที่กวรบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาิษีบางตนว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่กวรบูชาเอ่อและกัเป็นมงคลอันอุดม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 เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาม่คิดไม่พยายามบปรองฆ่ร้ายเขาคิดไม่เห็นผิดจากทำนองคลองทำอันนี้คือคือสัมมาทิฏฐิในควาในการคิดและก็การกระทอไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดขโมยทรัพย์ไม่คิ ด, ม ไ, มคดไม่คิดประพฤตประพฤติผิดในกามเขารกในสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นไม่ดื่มสุ ร, ราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของมึนเมาไม่เสพไม่ดื่มของที่ทำให้ตัวเองมึนเมาขาดสตอิอันนี้ก็คือทำดีแต่พูดดีเราอย่าไปพูดพดพูดปดพูด bye, สอเสียดพูดคำหยาดพูดเพอเยอะพู ด, พดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดจุแยีกระแทงให้รู้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 ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในตอบของสิ่งและธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน